ว่างแคบต่างกันนะคําว่าทุกข์ในอริยสัจน่ะหมายถึงว่าสิ่งที่มันปราศจากตัวตนสิ่งที่มันหาตัวตนไม่ได้สิ่งที่ว่างเปล่าจากตัวตนเขาเรียกว่าเป็นทุกข์ว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความสุขอันแท้จริงว่างเปล่าจากการบังคับได้ว่างจากว่างเปล่าจากสิ่งที่มีผู้สร้างอย่างเดียวๆหรือว่าผู้ที่อยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวอันนี้เขาเรียกว่าตัวทุกข์ ทุกในทุกขาริยศาสตร์หมายถึงสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหมดเลยกายกับใจเราอุปาทานขันต์ทั้งห้าเขาเรียกว่าทุกทุกในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่มันว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากความหมายของคําว่าเที่ยงคือมันไม่เที่ยงนั่นเองว่างเปล่าจากความสุขอันแท้จริงคือมันเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นให้เราทํานั่นทนํานี่นั่นเองและว่างเปล่าจากตัวตนเป็นอนัตตาอันนี้ ความหมายของทุกข์ในทุกขาริยสัตว์ในความหมายนี้นะกว้างที่สุดเลยทีนี้ความหมายของทุกข์ในอีกแง่หนึ่งพูดในแง่มุมของเวทนาคือความรู้สึกเท่านั้นเองแท้ที่จริงทุกข์ในความหมายที่กว้างที่สุดในทุกขาริยสัตว์นี้นหมายถึงขันทั้งห้ารวมกันคือสังขารทั้งหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเป็นตัวทุกข์คือกายกับใจเรานั่นแหละ เวลาท่านสรุปท่านจึงสรุปว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับคือไม่ใช่คนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาเกิดนะแต่เป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตนมันเกิดขึ้นอย่างเรานั่งอยู่ตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ตอนเราเกิดตอนแรกก็ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะหน้าตาเป็นคล้ายๆวุ้น่ะนะ ตอ น, น, นแรกๆก็นาตาก็คงไปดูเอาตามรูปตารงโรงพยาบาลน่ะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องาศาสนานั้นาศาสนานี้คนนั้นสูงกว่าคนนี้ต่ํากว่าคนนั้นวุฒินั้นคนนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งโน้นไม่มีนะตอนนั้นไม่มีเรื่องการแบ่งแยกไม่มีอะไรต่างๆนะไม่มีความรู้สึกว่ามีเราเป็นนั่นเป็นนี่เลยอันนั้นแหละเขาเรียกว่าตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทีนี้เมื่อตัวทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้ว มีกายกับใจเกิดขึ้นแท้ที่จริงก็คือมีธาตุของพ่อของแม่รวมกันแล้วก็มีวิญญาณไปอย่างลงวิญญาณนั้นยังสืบต่ออยู่ไม่ตายไปยังไม่ไปเกิดที่อื่นวิญญาณสืบต่ออยู่วิญญาณนี้ก็สร้างนามรูปก็คือทําให้นามและรูปมันเติบโตแตกตัวขึ้นมาเรื่อยๆและอาศัยธาตุของโลกใส่เข้าไปตอนแรกกินเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยผ่านแม่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงได้ สั ญ, ญลักษณ์มาอันหนึ่งสั ญ, ญลักษณ์สัตว์ดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดแม่ก่อนก็คือสะดือนะก็คือสะดือเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สัตว์ดูดเลือดดูดเลือดแม่ซะก่อนอันนี้ก็คือเอาธาตุของโลกใส่เข้าไปพอธาตุของโลกใส่เข้าไปนามรูปมันก็แตกตัวขยายขึ้นตามธาตุของโลกที่ใส่เข้าไปนะก็จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปตามพื้นถิ่นตามที่ต่างๆนะฉะนั้น อาหารที่เหมาะสําหรับคนคนนัน้นก็คืออาหารที่ใกล้กับที่เขาเกิดขึ้นเพราะว่าที่เขาเกิดขึ้นมันก็คือธาตุที่เหมาะกับเขาแล้วอาหารที่ใส่เข้าไปก็ตามนั้นไปแต่ยุคนี้เราอาจจะประหลาดหน่อยหนึ่งไปเอาอาหารฝรั่งพิซซ่ามากินนั่นก็ว่าไปทั้งทั้งที่อาหารที่เหมาะกับเราคืออาหารกใกล้ๆบ้านเรานั่นแหละนะเพราะว่ า, ามันธาตุมันตรงกันมันจะทําให้ไม่เป็นโรคว่างันถอ่แต่ถ้าไปปรับธาตุมากเกินไปไปเอานั่นเอานี่มา ธาตุมันก็สลับกันคล้ายๆกับว่ามันไม่สมดุลน่ะพอไม่สมดุลมันก็เกิดปัญหาต่างๆได้เยอะนะอันนี้ก็อาศัยธาตุของพ่อของแม่มีวิญญาณไปยังลงแล้วก็สืบต่ออยู่วิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นของเกิดดับแรงไปเรือเ่อยๆก็สร้างนามรูปแล้วก็อาศัยธาตุของโลกใส่เข้าไป แล้วก็ได้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หัวได้แขนได้ขาแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไนมะแท้ที่จริงเราทั้งหลายนี่ตอนเริ่มต้นอาจใส่ธาตุของพ่อของแม่ฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นคนที่มีคุณจริงนี่นะก็คือว่าให้ธาดเราก่อนฉะนั้นทั้งตัวเราเนี่ยว่าโดยสรุปแล้วก็คือได้ของพ่อของแม่มาหมดเลยด้านกายภาพเนี่ยนะก็คือ อาศัยธาตุของท่านมาเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็อาศัยธาตุของโลกใส่เข้าไปฉะนั้นแขนเราขาเราอะไรต่างๆนี้ก็เป็นส่วนของพ่อของแม่อยู่แล้วก็ธาตุของโลกซากเป็ดซากไกา่ซากอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปฉะนั้นการที่เรามายึดว่ามันเป็นตัวตนแขนของเราขาของเรามันจึงเป็นความผิดพลาดที่มหาศาลอยู่แล้วในตัวมันเองนะแต่ทีนี้เราอาจจะยังไม่มีความรู้เราก็เลยไปยึดเข้าไปนะครับ อันนี้แหละเขาเรียกว่าตัวทุกข์นะเนี่ยตัวทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยวิญญาณสร้างนามรูปสร้างอาัตนะแล้วก็คลอดออกมาเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กระทบปัจจัทางโลกแล้วเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกก็เกิดการทำนั่นทำนี่วนเวียนกันไปตามทั่วๆไปนะอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ ที่เราทํานั่นทนํานี่มีตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปดมกลิน่นลิ้นไปรู้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกมันก็เกิดการกระทําสิ่งต่างๆวนเวียนไปมาไอรูปร่างกายเราทั้งหมดทั้งมวลที่เรานั่งอยู่เนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเก่ากรรมเก่าก็คือประมวลทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดเลยตั้งแต่ชาติก่อนๆที่นับไม่ได้มาจนกระทั่งถึงชาตินี้จนกระทั่งถึงเดือนก่อน เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงเมื่อกี้นี้ทั้งหมดที่รวบรวมมาจนกระทั่งเป็นเรามานั่งอยู่ตอนนี้ทั้งไก่ที่กินเข้าไปเมื่อกี้นี้ด้วยอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเก่านะตัวความรู้สึกนึกคิดอะไรขอ ง, ท, งทั้งหมดทั้งมวลที่เราเรียนรู้มาแล้วก็ตามแต่ทั้งหมดเหมือนกับพื้นฐานเดิมอันนี้เรียกว่ากรรมเก่าฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าเอ๊ะกรรมเก่าเราเป็นยังไงนะก็คือตัวเราเองนั่นแหละคือกรรมเก่า ตัวกรคำเก่านี้ภาษาปัจจุบันเขาเรียกเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะบางทีเราไปหาเจ้ากรรมนายเวรเขาบอกเอ้เจ้ากรรมนายเวรทําเธออย่างโน้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้เขาไม่รู้เรื่องเขาพูดไปแบบคล้ายๆกับจะโยนความผิดให้คนอื่นนะถึงเขาไม่ยับผิดชอบตัวเองโยนให้เจ้ากรรมนายเวรไปแต่ที่จริงตัวเราเองนี่แหละกรรมเก่าหรือเรียกภาษาปัจจุบันก็คือเจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นบางคนเขาสะสมกรรมเก่ามาไม่ดีเขาจึงทุกข์ได้บ่อย เพราะว่าเขาสะสมมาไม่ดีเช่นเป็นพวกขี้โกรธไม่ค่อยมีปัญญาเป็นคนยึดติดเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะอันนี้กรรมเก่าไม่ดีเพราะกรรมเก่าไม่ดีเมื่อกระทบอารมณ์เช่นว่าเป็นคนที่โกรธใช่ไหมเห็นคนทําดีก็โกรธอย่างนี้หรือว่าเห็นคนทําไม่ดีก็โกรธคนด่าก็โกรธเวลาเราโทษเราก็จะบอกโอ้ยคนนี้เป็นคนทําเราคนด่าเราเนี่ยเป็นคนทําเราแท้ที่จริงนี้กรรมเก่า กรรมเก่ามันจะออกอาการตอนที่เรากระทบอารมณ์ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองทํากรรมเก่าชนิดไหนมาก็กระทบอารมณ์ดูนะเห็นของที่สวยก็ชอบอันนี้กรรมเก่าชนิดนี้มันก็เกิดขึ้นมันกระทบอารมณ์ไปคือเป็นคนหลงมากไม่ค่อยมีปัญญานั่นเองนะพวกโดนด่าก็โกรธอยู่เรื่อยคนทําดีก็โกรธอยู่เรื่อยพวกนี้ก็สะสมความโกรธมาเยอะ โดยส่วนใหญ่แล้วคนทั้งหลายนี้สะสมความหลงมามากฉะนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะพึ่งคนอื่นแล้วก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้พึ่งดวงดาวพึ่งลายมือพึ่งกรรมเก่าพึ่งโน่นพึ่งนี่มาหมดอันนี้คือพวกสะสมความหลงนะคือมีอะไรนีมีแนวโน้มที่จะมองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเห็นกีววัวขี้ควายก็จะมองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วแต่เขานี่ยนะเห็นอะไรประหลาดสักหน่อยก็เอาแล้ว แค่เห็นงูสองหัวก็พร้อมจะบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์แล้วทั้งทั้งที่มันจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีสองหัว น, นี่พวกพวกนี้เขาเรียกว่าพวกสะสมความไม่รู้สะสมโมหะมาเยอะตัวพวกนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่าหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นพวกที่สะสมเจ้ากรรมนายเวรมาเยอะเนี่ยเขาจึงผูกเวรกับคนอื่นได้ง่ายในการไปผูกกับคนอื่นเนี่ยเขาเรียกผูกเวรกันแล้ว ตัวเจ้ากรรมนายเวรคือเขาเองนั่นแหละสมมุติว่ามีคนอื่นด่าเราปั๊บเราสะสมความไม่รู้ไว้เยอะสะสมความโกรธไว้เยอะแล้วก็สะสมความไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจความจริงไว้เยอะเราก็เกิดความโกรธขึ้นพอเกิดความโกรธตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรทําร้ายเราแล้วเราโดนทดําร้ายโดนทาร้ายจากใครละ่ะจากเจ้ากรรมนายเวรคือกรรมเก่าของเราเนื่องจากเราสะสมแบบนี้มามาก ทีนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเราไม่ทำอะไรใหม่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเกิดตามเหตุแล้วมันก็จะดับไปเองแต่ทีนี้เราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่แล้วทำกรรมใหม่ด้วยของเก่ายังไม่ได้ละความเคยชินมันยังอยู่และของใหม่ไปเพิ่มให้มันก็เหมือนใส่อาหารเข้าไปฉะนั้นพวกของเก่ากิเลสเก่าๆราคะโทสะโมหะความอิจฉาความไม่รู้อะไรต่างๆจึงยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าของเก่ายังไม่ได้ละแล้วมันสะสมเพิ่มด้วยคือ มันให้อาหารเข้าไปนะดังนั้นวิธีการฝึกนี้แท้ที่จริงมันง่ายมากก็คือของเก่าเราสะสมมาไหก็ช่างมันเพียงแต่เรามีสติรู้เท่าทันมันถ้าเราเห็นของที่เราชอบเกิดความชอบขึ้นอันนี้กรรมเก่ามันไม่เป็นไรมันเกิดตามความรู้สึกของมันเราอย่าไปให้อาหารมันให้ดูมันเฉยๆแล้วมันจะดับไปเมื่อของเก่ามันสะสมเอาไว้แล้วมันเกิดความเคยชินมันก็ลดลง มันเคยชินลดลงไม่ให้อาหารมันของใหม่มันก็ไม่มีอย่างนี้พวกความชอบต่างๆมันก็จะลดลงเองความโกรธก็เหมือนกันถ้าเรากระทบอารมณ์แล้วโกรธความโกรธมันเกิดแล้วมันก็จะดับไปถ้าไม่ให้อาหารมันมันก็จะลดระดับลงมาเรื่อยๆแต่เดิมเคยโกรธแรงมันก็จะโกรธลดลงแต่เดิมเคยโกรธนานมันก็จะน้อยลงน้อยลงนะลงพวกความเครียดความวิตกกังวลอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันหมดมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้น แต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาสะสมความหลงมาด้วยคือว่าไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยตัวเองเป็นคนทํามาทั้งหมดเขาโยนไปที่คนอื่นเช่นสามีนีสามีทําไม่ดีเราเลยกโกรธแต่จริงๆเขาทําดีไม่ดีนี่ไม่เกี่ยวนะถ้าเราสะสมมาดีนะมีปัญญาเขาทํายังไงก็ไม่เกี่ยวกับเราหรอกเราก็ไม่โกรธอยู่แล้วแทที่จริงมันก็เป็นการสะสมที่ไม่ได้เรื่องของเราที่ผ่านมานั่นเองนะ อย่างนีน้ทีนี้บางคนเขาพร้อมจะหลงอยู่แล้วพร้อมจะโทษคนอื่นอยู่แล้วเขาก็โยนไปให้คนอื่นเพราะว่าเขารักตัวเองแต่มันรักผิดพวกไม่รู้นี่เขาจะรักตัวเองแต่รักแบบผิดผิดคือไปโยนให้คนอื่นแล้วก็ไม่แก้ไขตนเองบางทีหาที่โยนไม่ได้เขาก็ไปโยนให้เจ้ากรรมนายเวรโอ้ยเนี่ยเรามาอยู่กับสามีคนนี้ไม่มีความสุขเลยถ้าเขาจะเป็นถ้าทางเขาจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรามา ทนทนเอาหน่อยก็แล้วกันนะเขาก็ว่าอย่างนี้ไปพวกนี้ก็จะเป็นทุกจมอยู่ ก, กองทุกไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าเขาโง่เองนะช่วยไม่ได้ไตที่จริงเปลี่ยนสามีใหม่ไปสร้างมันก็สิ้นเรื่องแล้ว <c oughs> ง่ายนิเดียว <c oughs> อ่อ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ก็เรื่องใหม่มันก็ได้ <c oughs> อันใหม่แล้วก็ได้ทดลองอันใหม่ไปเรื่อยๆ <c oughs> มันก็ดีกว่าอันเก่านะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะชอบเป็นคนมีความหลงชอบไปโยนว่าเออเนี่ยสงสัยเราเคยทําเวรทํากรรมต่อกันมาทนทนไปก็แล้วกันเผื่อมันจะหมดเขาว่าอย่างงี้เขาก็ทนต่อไป ท, ท, ทั้งๆ้ที่วิธีการมันง่ายนิดเดียวไปพูดกับเขาแล้วขอเลิกกับเขาไปซะหรือว่าเราอยู่กับคนนี้แล้วมันไม่ค่อยดีทําให้จิตใจของเราต่ําลงหรือว่าไม่ค่อยมีความรู้เราแค่อย่าไปคบมัน แต่เราโดยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเออเรามีกรรมต่อกันมามีเวรต่อกันมาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นบอกว่าอย่าไปคบคนพาลให้คบบัณฑิตเอาไว้จบละแค่นี้ง่ายนิดเดียว <c oughs> แต่โดยส่วนใหญ่เราก็สะสมอะไรมามันก็ไม่รู้เนาะอย่างนี้นะเอาถามเรื่องไหนเมื่อกี้นะทำไมมันแปลงกันอ่ะถามเรื่องทุกเรื่องทุกเอาถามเรื่องทุกนะ อันนี้ก็คือพูดเรื่องว่าตัวทุกข์เนี่ยมันเกิดมามันเป็นอย่างนี้นะมันเกิดมาจากกรรมเก่าคําว่ากรรมเก่าก็คือสิ่งทั้งหมดที่เราทํามาตั้งแต่อดีตชาติจนกระทั่งถึงเมื่อกี้นี้ความคิดความรู้สึกเมื่อกี้นี้แล้วก็พวกทัศนคติอุดมคติของสังคมที่ใส่เข้าไปทั้งหมดทั้งมวลฉะนั้นมันก็จะเกิดขึ้นตอนกระทบอารมณ์ถ้าเราอยากจะรู้ว่ากรรมเก่าเราทําอะไรมาทัศนคติเราเป็นยังไงบ้าง ก็ดูตอนกระทบอารมณ์เห็นคนนั้นพูดอย่างนี้แล้วเราคิดยังไงความคิดหนึ่งนี้ทั้งหมดมันก็รวมมาจากทัศนคติอุดมคติการเรียนรู้อะไรของเรามาทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่านะทีนี้เมื่อกรรมเก่าเกิดขึ้นแล้วเราไม่ให้อาหารมันต่อเห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วดับไปอันนี้มันก็จะหมดอํานาจลงเพราะว่ามันได้ลงทุนแล้วมันก็หมดอํานาจพอหมดอํานาจมันก็ค่อยค่อย รู้ความจริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลาดับเพราะว่าสิ่งที่สะสมเอาไวเา้เก่าๆส่วนใหญ่จะไม่ดีส่วนใหญ่นะถ้าจะบอกว่าทั้งหมดเลยมันก็มันจริงเกินไปนะดังนั้นค่อยๆดูไปก็แล้วกันแล้วก็จะเห็นนะนี่นะตัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นและที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับก็คือสิ่งที่มันเกิด ตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่แหละฉะนั้นบางคนเห็นสิ่งเดียวกันนี่นะสองคนเห็นสิ่งเดียวกันที่เกิดความรู้สึกไม่เหมือนกันเกิดความคิดไม่เหมือนกันเพราะว่ากรรมเก่าหรือว่าฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้แต่ด้านร่างกายก็เหมือนกันด้านร่างกายของแต่ละคนก็ได้ฐานมาไม่เหมือนกันคือได้ธาตุของพ่อของแม่มาไม่เหมือนกันอาหารที่ใส่เข้าไปอะไรต่างๆอากาศไม่เหมือนกันก็ได้ฐานมาไม่เหมือนกันฉะนั้นในเมื่อฐานไม่เหมือนกันการป่วยเป็นโรคก็ดีอะไรก็ดี ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไปด้วยเช่นบางคนฐานกายเขาดีอยู่แล้วเขาไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยที่จะเป็นโรคง่ายก็สูบบุหรี่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเป็นอะไรแต่บางคนนี่ฐานในด้านร่างกาย่าต่างๆมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วพร้อมจะเป็นโรคได้โดยง่ายสูบบุหรี่หน่อยเดียวเป็นแล้วอย่างนี้นะดัะนั้นบางคนเขาก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้เขาก็ไปโทษจำเต่าอีกตัวเองเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคนั่นโร ค, น, น, โรคนี่เขาบอกว่าโอ้ oo, เนี่ยที่เราเป็นมะเร็งเนี่ย เพราะว่ากรรมเก่าเ ข, า, เขาว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่มองตัวเองว่าเนี่ยตัวเองกินอาหารมันกินพวกเนี่ยพวกผัดพวกทอดพวกย่างอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้การแต่ละคนเนี่ยธาตุพื้นฐานมันไม่เหมือนกันเวลาใส่สิ่งใหม่เข้ามามันก็ไม่เหมือนกันไปด้วยเหมือนกันกบเราด้านจิตใจก็เหมือนกันพื้นฐานก็ไม่เหมือนกันเพราะกรรมเก่าที่สะสมมาหรือเรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวนั่นแหละ เวลากระทบอารมณ์จึงเกิดความรู้สึกไม่เหมือนกันตัวความรู้สึกนี่เขาเรียกกรรมเก่านะทีนี้เมื่อเกิดกรรมเก่าแล้วสมมุติเรารู้ไม่เท่าทันแล้วเมื่อเกิดกรรมเก่าขึ้นมาแล้วได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจยเอาไว้กระทบอารมณ์ได้เกิดความรู้สึกต่างๆพอรู้ไม่ทันแล้วจะเกิดเจตนาในการทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเจตนาหรือว่าการจงใจที่เกินธรรมดาอันนั้นเรียกว่า กรรมใหม่นะสมมติเราอยู่ในห้องแล้วก็อาบน้ําแปลงฟันอะไรพวกนี้ธรรมดาอันนี้ไม่ได้เป็นกรรมใหม่อะไรอันนี้เป็นกรรมเก่าที่เราได้มาแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นภาระซึ่งเราต้องจัดการไปแต่ทีนี้สมมุติว่ า, เ, าเราเดินเข้าไปในห้องเจอมดมาตัวหนึ่งเจอมดมาวิ่งอยู่ในคอตโต์หรือว่าอเมริกันสแตนดาร์ดวิ่งไปและทีนี้ตามธรรมดาเนี่ยมันไม่เกิดเจตนาอะไรเกินเนี้ย แต่พอมาเห็นหมดมันจะเกิดเจตนาขึ้นมาบางอย่างขึ้นมาเกินธรรมดาขึ้นมาจะทำอะไรกับมดตัวนี้ดีเนี่ยสมมุติเราอยากจะช่วยมันอันนี้ก็กลายเป็นกรรมใหม่ชนิดที่เป็นกุศลกุศ ล, ลกรรมถ้าเฮ้ยลำคานมดโครมเข้าไปอันนี้ก็กลายเป็นเป็นบาปอกุศ ล, ลกรรมเนี่ยตัวกรรมใหม่ก็คือตัวเจตนาตัวความตั้งใจจงใจชนิดที่พิเศษกว่าธรรมดา ถาเราใช้ชีวิตธรรมดาบริหารร่างกายกินข้าวอาบน้ําอะไรไปอันนี้ไม่ได้เป็นกรรมใหม่เป็นกรรมเก่าที่เราต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ความรู้สึกต่างๆสุขบ้างทุกบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้เป็นธรรมดาไม่ได้ผิดอะไรนะการที่เราเห็นผู้หญิงสวยแล้วเราชอบนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยเป็นเรื่องธรรมดาใครไม่ชอบาก็กลายเป็นตุดไปมันเรื่องธรรมดาแต่บางคนเขาไม่รู้ข้อแท้จริงอันนี้เขานึกว่าเอ๊ะ สงสัยเราผิดปกติไปแล้วมั้งอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเห็นแล้วเห็นคนนี้อาจจะชอบบางคนเห็นคนนี้อาจจะไม่ชอบทั้งที่เห็นคนเดียวกันเนี้ยเพราะว่ากรรมเก่าของแต่ละคนนี้สะสมมาไม่เหมือนกันแต่ความชอบความไม่ชอบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจงใจชนิดที่พิเศษที่เกินกว่านั้นขึ้นมานั่นแหละที่มันจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิดคือตัวกรรมใหม่ นะฉะนั้นทั้งตัวกรรมเก่าและตัวกรรมใหม่นี้ก็เป็นตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อแท้จริงอันนี้พอไม่รู้ข้อแท้จริงอันนี้ก็ไปทํากรรมใหม่ก็คือทําแบบไม่รู้เรื่องนะไปโยนโยนให้กรรมเก่าบ้างโยนให้คนนั้นบ้างคนนี้บ้างชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยความหลงเหมือนเดิมอย่างนี้พอเข้าใจนะนะนะ นี่แหละเขาเรียกว่าตรวจทุกขันทั้งห้ากายกับใจเหล่านี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งคุณภาพของใจเราที่ได้มาอันนี้เป็นกรรมเก่าทัศนคติอุดมคติการเรียนรู้ต่างๆที่เรารับมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นกรรมเก่าเมื่อเรากระทบอารมณ์แล้วมันก็จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นดีบ้างไม่ดีบ้างนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรฉะนั้นเราคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างจึงเป็นเรื่องปกติ เราสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเป็นเรื่องปกติชอบบ้างชังบ้างเป็นเรื่องปกตินะส่วนตัวที่จะวัดว่าเราเป็นคนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือว่าจะมีผลต่อไปในเบื้องหน้าหรือเปล่าคือตัวกรรมใหม่คือตัวเจตนาที่มีความจงใจเป็นพิเศษสมมติเราเห็นคนนี้แล้วเอยชอบมันเว้ยจะไปคุยอะไรกับมันเนี่ยเห็นไหมมันมีเจตนาพิเศษขึ้นมา ทั้งที่เราเห็นหน้าแล้วเราชอบอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกรรมเก่าไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรเป็นเรื่องปกติแต่เราจะไปคุยอะไรกับเขาอันนี้มันมีจงใจพิเศษขึ้นมาถ้าไปโกหกเขาก็กลายเป็นผู้สาวาทถ้าไปพูดจริงก็ยังไม่เป็นไรก็เป็นการพูดดีไปเห็นไหมดังนั้นเราทั้งหลายก็มีกรรมเก่ามาต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้แล้วก็กรรมใหม่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นที่กรรมใหม่การเลือกที่จะทํากรรมใหม่ ฝึกความสามารถในการเลือกที่จะทํากรรมใหม่ก็คือการมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นกรรมเก่ามันเล่นงานนะมันก็ครอบงำเช่นกูดื่นด่าเราพับเราโกรธโกรธแล้วก็ไปทําเลยไปดา่านั้นดานี่เนะห็นไหมมีเจตนาไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้บางทีไปคล้าๆเราว่าพวกหลงงมงายมากๆคิดว่าเขาเป็นคนทํา ก็คิดว่าเอ๊ะเขาด่าเราเราด่าเขาคืนนี่สมควรแล้วเพราะว่า อ, อย่างนี้อีกพวกนี้โง่โง่มากหมายถึงว่างมงายอย่างถึงที่สุดแล้วคือว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่เวลาไปทํากรรมโดยการด่าเขาเนี่ยมันเป็นอบายเนี่ยยุติธรรมกับตัวเองไหมตัวเองเป็นมนุษย์เนี่ยไปทําให้ตัวเองเป็นอบายไปแล้วเป็นสัตว์น ร, รกไปแล้วอะไรไปแล้วแต่เขาคิดว่าเอ้ยคนอื่นมันด่าเราเราไปด่าเขาคืนนี่สมควรแล้วเพราะว่าอย่างนี้อีก แท้ที่จริงนะดูเหมือนยุติธรรมสําหรับคนหลงแต่ว่าไม่ยุติธรรมสําหรับตัวเขาเองเพราะว่าเขานั้นเป็นมนุษย์ใช่ไหมเวลาเราไปด่าเขาเนี่ยกรรมที่เป็นผลมาจากการด่าเขาเนี่ยมันจะพาไปอบายยุติธรรมกับตัวเองไหมตัวเองเป็นมนุษย์ไปด่าเขาไปอบายเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่พวกไม่รู้มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะหลงไปเห็นไหมเขาคิดว่ามันยุติธรรมแล้วเขาตีเรามาเราตีเขาคืนเลย เขาว่าไปอย่างนี้ยุติธรรมไหมอย่างนี้ถ้าพวกหลงเขาบอกว่ายุติธรรมยุติธรรมแต่โดยความจริงตามหลักของกรรมแล้วเนี่ยตัวเขานี่เป็นมนุษย์เวลาไปตีเขามีเจตนาทำร้ายเขามันไปอบายยุติธรรมไหมเนี่ยพวกไม่รู้มันจะใช้ชีวิตอยู่กับความหลงอย่างนี้นะดังนั้นมันจึงมีอันตรายมากนะใช้ชีวิตโดยความไม่รู้นี่มันจะอันตรายแบบมหาศาลเลย แต่ถ้าใช้ชีวิตด้วยความรู้ถึงจะมีกิเลสบ้างด้วยอํานาจกรรมเก่าที่เราทํามาจะมีกิเลสเยอะก็ตามจะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างแต่เราก็รู้ทันเราไม่หลงทําตามมันเราก็ปลอดภัยไปเ ป, ปล่าหนึ่งนะอย่างนี้นะฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นคนดีแต่อย่าชั่วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอับายเรอไม่ใช่อะไรหรอนะมันไม่ยุติธรรมกับตัวเองนะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นที่ การทํากรรมใหม่ก็คือการฝึกฝนให้มีความสามารถในการเลือกการฝึกฝนให้มีความสามารถในการเลือกเขาเรียกว่าสมาทานที่เราเรียกว่าสมาทานศีลอะไรต่งางๆเนี่ยหมายถึงความสามารถในการเลือกสมมุติว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมีคนด่าเราปั๊บเราโกรธไม่พอใจก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งคนด่าแล้วยิ้มให้นี่คงน้อยคนเต็มทนแล้วนะก็คงมีเหมือนกันแต่น้อยคนแต่สําหรับเรา หรือว่าคนทั่วไปเขาคงจะไม่พอใจการไม่พอใจนี้เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แต่การไปตีเขาคืนด่าเขาคืนไปผูกโกรธเขาข้ามวันข้ามคืนไปไม่ชอบเขาอันนี้เห็นไหมมันมีเจตนาพิเศษใส่เข้าไปเป็นกรรมไม่ดีแล้วนี่ยอันนี้อันตรายมากแล้วนะอาจรต้องรู้ข้อเท็จจริงอันนี้นะะการฝึกสติสัมปชัญญะให้เป็นคนมีศีลมีสมาธิจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก จะช่วยรักษาเราตั้งแต่ต้นทีเดียวพูดเรืองตัวทุกข์นนี่นะเนีขาเรียกตัวทุกข์กายกับใจเราที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับตัวทุกข์นี้เราต้องเรียนรู้มันให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งเข้าไป Nh ฉะนั้นในตอนเริ่มต้นนี้เราต้อง อะไรที่มันทําไม่ค่อยดีหรือว่าเคยทําเกินเกินเอาไว้เน่ะต้องงดงดก่อนคอยดูมันสังเกตมันเวลาที่เขาทําให้เราไม่พอใจอย่าไปสนใจเขาสนใจเราเองว่านี่เรากําลังไม่พอใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมานิดหน่อยทําไมมันรู้สึกเจ็บปวดเพราะเราะว่ากรรมเก่าคือเจ้ากรรมในเวรมาเล่นงานเราพอเจ้ากรรมในเวรมาเล่นงานเรามันเกิดขึ้นเพราะเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปมันก็หายไปเองเราก็ไม่สดสมกรรมใหม่เห็นไหม ของเก่ามันเคยชินอยู่ใช่ไหมมันเกิดขึ้นมันก็ลดความเคยชินลงนะความทุกข์ก็เหมือนกันความเครียดก็เหมือนกันถ้าเราคอยดูคอยสังเกตไปต่อไปมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปตามลําดับอย่างนี้นะแต่เราโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ก็ไปปฏิเสธสิ่งที่เราตัดสินมันว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปโยนความผิดให้คนอื่นจนกระทั่งโยนกรรมเก่าไปเอ้ยกรรมเก่าเราทํามาอย่างนี้ก็ เอาตามกรรมเก่าไปบางคนพอคนอื่นมาด่าเราก็คิดว่าสงสัยเราเคยเคยด่าเขามามั้งาตามตามไปอย่าเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้ก็ยังหลงโ ง, ง่งม ง, งายเหมือนเดิมแท้ที่จริงแล้วที่เขาด่าเราได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกรรมเกา่ากรรมเก่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะสมมุติว่ามีเหตุอยู่หนึง่งมื่นเหตุกรรมเก่าเป็นหนึ่งในเหตุนั้นอย่างนี้นะ ดนั้นถ้าเราจะคิดพิจรารณาต้องคิดพิจารณาในแง่ของการมีสติสัมปชัญญะหรือว่าการฝึกฝนตนเองให้ได้จึงจะได้ประโยชน์ถ้าไปมองในแง่ของโยนไปตรงนั้นโยนไปตรงนี้ก็ยังหลงงมงายเหมือนเดิมแต่โดยส่วนใหญ่เราหลังๆมาเนี่คล้ายๆกับจะโยนไปเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นเขาบอกว่าโอ้เดินไปตกท่อเอา้าตกท่อเจ็บขาโอ้สงสัยไปหักขาปูมาได้เนี่ยเข้าท่าเหมือนกันนะ เอ๊มันเข้าเลือกเหมือนกันนะหักขาปูมาเราเลยขาหักบ้างเอ๊มันเข้ากันเหมือนกันนะแบบนี้ก็สบายใจเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรแท้ที่จริงนั้นโอเคอาจจะเป็นหักขาปูจริงก็เป็นเหตุหนึ่งแล้วอันอื่นมีไหมเหตุอื่นมีอีกมากมายมหาศาลกทมดันไม่ปิดท่อถ้ามันปิดท่อเราก็ไม่ตกท่อเราเดินมัวแต่มองนั่นมองนี่ถ้ามองไม่มองนั่นมองนี่มองนี่สักหน่อยหนึ่งระวังมันก็ไม่ตก นะถ้าเราไม่รีบมันก็ไม่ตกก้าวรอก้ามีเยอะแยะเหตุมากมายไม่ใช่แค่เรื่องหักขาปูนั่นหรอกนะแต่เราเนี่มันง่ายเกินไปฉะนั้นการไปโทษโยนอะไรออกไปข้างนอกตัวนี้มันเป็นเรื่องง่ายดายมากนะเหมือนอา้าสามีมันด่าเราโอ้เพราะกรรมเก่าอย่างนี้มันง่ายนะแต่โดยความจริงแล้วมันมีเหตุเยอะมากไปกว่า น, นั้นอีก ก็ตัวเองดันเอาหน้าไปโผล่ให้เขาด่าตอนเขาอารมณ์ไม่ดีมันก็สมควรโดนแล้วเราก็ต้องดูอารมณ์เขาหน่อยสิว่าอารมณ์มันดีเปล่าวะวันนี้ถ้าอารมณ์มันไม่ดีเราก็อย่าเข้าไปอะไรอย่างนี้มันต้องฉลาดในการใช้ชีวิตมันถึงจะโอเคหน่อยแต่เราเนี่ยอะไรมาก็โยนโยนโยนพวกนี้มันไม่ได้เรื่องนะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนแล้วสอนอีกเรื่องว่า ให้รู้จักบุคคลนะการเข้าหาบุคคลให้รู้จักบุคคลไอ้หมอนี้มันเป็นยังไง ร, รู้จักการเวลาหน่อยนะว่า เ, ออเวลาไหนควรเข้าอะไรต้องต้องศึกษาไปแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันต้องต้องรู้จักหาประสบการณ์ว่าบุคคลนี้ถ้าจะอยากจะหลอกใช้มันเนี่ยต้องเวลาไหนต้องอะไรต้องฉลาดาไปโยนกรคมเก่าลูกเดียวนี้มันไม่ได้เรื่องโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่โยนอย่างเดียวแหลกลานไปหมด ถ้าสมมติเขาขับรถไปขับรถไปอ้าวชนตุ้มเข้ามาอ้าวกรรมเก่าสงหัยเราไปฆ่าควายมาอะไรมาตอนนี้เราเลยโดนมัง่งอะไรกูว่าไปแต่โดยความจริงอะ่ะโอเคถึงอาจจะเราอาจจะเคยฆ่าสัตว์มาแต่ว่าการฆ่าสัตว์ก็เป็นหนึ่งในบรรดาเหตุที่มันเกิดขึ้นนั้นนะเพราะว่า เวลาสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มีเหตุเดียวมันมีเป็นหมื่นๆอย่างเป็นล้านๆอย่างซึ่งนับไม่ถ้วนเหมือนท่านมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายเพราะว่าสมมุติว่าอ่ะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ากรรมเก่าเราทําบุญมาดีอะไรอย่างเนี้ยแบบนี้มันไม่ได้เรื่องแบบนี้มันมั่วนะจริงอยู่เราอาจจะทําบุญมาดีแต่เพราะ two by four เนี่ยเขายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เขายังไม่ตาย เราตัวเองด้วยยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ใจเดินได้มาถึงจะทำบุญมาดีหายใจเข้าไม่หายใจออกมันจะได้มาัหมล่ะมันก็ไม่ได้มาเนี่ยก็มีโน่นมีนี่มีบ่อยมีโรงแรมนี้มีโน่นมีนี่มีมหาศารนะเมื่อเหตุอันนี้อันนี้มันมีอันนี้มันจึงเกิดขึ้นกองทุกข์มันเป็นไปอย่างนี้นะฉะนั้นในบรรดากองทุกข์ไม่มีอันไหนมันอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวไม่มีอันไหนมันอยู่ได้อย่างลอยลอย ไม่มีอันไหนมันไม่เกี่ยวเนื่องกันและกันมันเกี่ยวเนื่องกันและกันหมดอย่างเรากินข้าวเม็ดนึ่งเนี้ยเราก็กินดวงอาทิตย์กินดวงจันทร์ไปหมดแล้วนะข้าวเนี่ยก่อนจะมาเป็นข้าวให้เรากินมันมาจากไหนล่ะมันมาจากหม้อหม้อหุงมันก่อนจะมาถึงหม้อมันมาจากไหนล่ะมันมาจากทุ่งนาโนนนะอยู่ในทุ่งนามันเป็นอะไรบ้างมันโดนดวงอาทิตย์มามันโดนดวงจันทร์มาโดนน้ํำมาโดนนั่นโดนนี่มาเนี่ยเห็นไหม มันเกี่ยวข้องกันหมดแหละมันไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวด้วยตัวมันเองแต่เรานี่มีความเข้าใจแบบแคบๆ แ, แล้วไปจับยึดเอาว่าแค่กรรมเก่าแค่บุญที่ตัวเองทําเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอยู่ฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เราไปจับยึดเอาอันใดอันหนึ่งว่าต้องเป็นอันนั้นต้องเป็นอันนี้คือความเข้าใจผิดนะก็เหมือนเราโดยทั่วไปเนี่ยเห็นนะอ่าเวลาความสุขเกิดขึ้น ทั้งๆ ท, ที่เคยสุกมาไม่รู้อีกเที่ยวแล้วก็ไปยึดมันอยู่เวลาความทุกข์เกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่เคยทุกข์มาทั้งหลายเที่ยวแล้วก็ยึดอันนี้ว่ามันจริงจังเหลือเกินอย่างเนี้ยความกโกรธทีเกิดขึ้นมันตั้งหลายเที่ยวแล้วแต่ก็ไปตกเป็นพาพของไอ้โกรธนี่อยู่เห็นไหมทั้งๆ ท, ที่มันเยอะแยะไปหมดแล้วนี่นะนี่พวกเขาไม่รู้ความจริงของกองทุกข์ถ้าคนไหนที่เขารู้ความจริงของกองทุกข์แล้วหรือว่าได้มองดูกองทุกข์ตามที่มันเป็นจริงเขาก็จะเห็นว่า อ๋อความคิดดีที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นหนึ่งในบรรดาความคิดดีที่เกิดขึ้นบางคนพอเขาคิดดีๆขึ้นมาเขายึดเลยนี่ต้องคิดแบบเรานะจึงจะถูกทำอย่างกับไม่เคยคิดดีสักทีอย่างเงี้ยนะจริงๆเราก็เคยคิดดีมันตั้งหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมไม่เห็นมันพ้นทุกข์อะไรเนี่ยจะคิดดีครั้งหนึ่งมันไมนเป็นไรเนี่ยก็คิดดีมีประโยชน์ก็เอามาใช้ได้ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งมันไปไม่เห็นเป็นไรนะเดี๋ยวสักหร่อยมาคิดใหม่เองอ่ะบางคนอ้าวคิดไม่ดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอู้เราทําไมเลวอย่างนี้ ทำยังกัไม่เคยคิดไม่ดีอย่างนั้นคิดไม่ดีมาตั้งหลายเที่ยวแล้วไม่เห็นเป็นไรสักหน่อยแต่เขาไม่รู้เนี่ยเห็นไหมไม่รู้ว่ามันเป็นกองทุกข์เขาก็มีเจตนาจงใจไปจัดแจงจัดการมันด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงมันก็หลงต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ากองทุกข์มันเกิดตามกรรมเก่าๆตามความเคยชินที่มันสะสมเอาไว้แล้วเรียนรู้มันก็จะเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็ใช้มันได้ให้เกิดประโยชน์ นี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นการฝึกให้เป็นผู้มีความสามารถในการเลือกเนี่ยคือการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตนี้มันจึงสําคัญที่สุดนะคนอื่นด่าเรามาเราโกโรธโกโรธแล้วเราสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะเออตอนนี้ยังไม่ต้องจัดการอะไรก็ได้เดินนี้ไปก่อนมีทางให้เลือกเยอะแยะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายไม่มีทางเลือกการไม่มีทางเลือกก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งคือเรา ต้องการที่จะไม่มีทางเลือกนั่นเองนะดังนั้นบางคนเขาบอกโอ้ผมไม่มีทางเลือกเลยก็ดันเลือกอย่างนั้นมันก็ไม่มีดิการไม่มีทางเลือกก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งแต่โดยจริงๆแล้วมันมีมีแต่ทางออกนะชีวิตเราเนี้ยโดยแท้จริงแล้วมันมีแต่ทางออกไม่มีทางตันทางตันนี้ความเห็นผิดมันไปสร้างไว้เฉยๆนะจำเอาไว้นะเราทั้งหลายมีทางตันเยอะนะเออนะนั่นแหละ เป็นความเข้าใจผิดผิดเห็นผิดผิดที่ไปยึดอันใดอันหนึ่งว่าเป็นตัวเป็นตนหรือว่าเป็นสิ่งที่มันมีอํานาจเด็ดขาดขึ้นมานะทุกเรื่องมันก็เป็นเหมือนกันหมดนะเนี่ยอย่างตึกหลังเนี้ใครเป็นคนสร้างล่ะเนี่ยคนสร้างเดี่ยวเดียวไม่มีมีแต่อ้าวคนนั้นช่วยคิดคนโน้นช่วยคิดคนนั้นเขามีเงินมีเงินก็ต้องมีเงินมีได้ธนาคารมีอะไรต่างๆนั่นมันเกี่ยวโยงกันหมดมี คนงานมาก่อสร้างคนงานก่อสร้างก็ต้องเกี่ยวกับการกินข้าวเกี่ยวกับลูกกับหลานเขาอะไรเขามันเกี่ยวกันหมดกว่าจะเป็นตึกหลังนี้ขึ้นมาผู้มีอำนาจในการสร้างตึกเดียวๆมีไหมไม่มีเหมือนกับความรู้สึกของเราที่เกิดเป็นคลัง่งผู้มีอำนาจสร้างมันก็ไม่มีมีแต่ถ้าจะพูดถึงก็กรรมเก่าซึ่งหลากหลายเหตุหลายปัจจัยมากเหลือเกินที่เราได้เล่าเรียนมาศึกษามาฟังคนนั้นคนนี้มาในชาตินี้ และชาติก่อนๆๆๆฉะนั้นตัวตนแท้ๆ ท, ที่มันมีอำนาจอย่างเด็ดขาดว่ามันมาจากไหนอันนี้ทาให้เกิดอันนี้ที่เขาบอกเรามันจึงไม่มีจริงนะโดยส่วนใหญ่เราคงต้องการให้คนบอกนะโอ้ที่ผมเป็นทุกอย่างนี้ที่สามีมันทิ้งเนี่ยเพราะอะไรหมอดูเขาจะบอกเนี่ยเพราะอันนี้ีนน่นี่นีนน่มันก็หลงกันไปเรื่อยอย่างนั้น่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกอย่างนั้นเลย ท่านบอกแต่ว่ามันเกิดตามเหตุของมันหน้าที่ของเราคือฝึกให้มีความสามารถในการที่จะเลือกกระทำส่วนกรรมเก่าๆนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วตามเหตุของมันให้ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นแล้วให้เลือกที่จะทำแต่ของที่มันดีถ้าจะทำถ้าไม่ทำก็ให้เรียนรู้มันให้เข้าใจมันว่ามันเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงนะตัวความสามารถในการเลือกที่จะทาเลือกที่จะใช้ชีวิต พราะเห็นว่าเอ๊ะการที่เราใช้ชีวิตแบบเดิมที่ประกอบไปด้วยกิเลสราค่าโทสะโมหะนี้มันมันทุกเนี่ยมันเกิดความเครียดความวิตกกังวลเราเลือกทางนี้ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยโกหกกับไม่โกหกอันไหนมันสบายกว่ากันวะเนี่ยลองดูสิถ้าเราลองสังเกตการใช้ชีวิตดูให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตดูนะแล้วก็เอ๊ะพูดมากกับพูดน้อยเนี่ยอันไหนมันสบายกว่าลองดูลองพูดน้อยดูกับพูดมากดู อย่าพูดมากอย่างเดียวมันไม่ได้ลองนะพูดลองพูดน้อยๆดูลองพูดจริงกับพูดโกหกเนี่ยเราก็ลองสังเกตพอสังเกตก็จะเห็นว่าเอ๊พูดคาจริงพูดน้อยๆพูดตามสมควรนี่มันสบายกว่าเราก็เลือกทางนี้อย่างนี้การเลือกทางนี้เขาเรียกสมาทานเนี่ยการสมาทานศีลอะไรที่เราไปสมาทานกับพระเนี่ยหมายถึงว่าเราเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกของจริงแน่นอนดีแน่นอนเราก็เอาเลยอย่างนี้ แต่บางทีเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาเอาแล้วหายเลยตลอดมันไม่ได้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆนะเป็นคนประมาทด้นั่นเงนะอย่างเนี้ยนะนี่ความหมายของทุกข์นะความหมายของทุกข์แบบกว้างที่สุดจึงบอกว่าทุกข์ให้เรียนรู้มันให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งนะส่วนทุกข์อีกความหมายหนึ่งที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือทุกข์ในแง่มุมของเวทนาทุกข์แบบกว้างที่สุดเมื่อกี้แยกเป็นขันห้าไปเลย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในความหมายว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนอันแท้จริงหมายถึงว่ามันเกิดเพราะเหตุเมื่ออันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีตามเหตุของมันนะส่วนทุกในความหมายต่อมาเนี่ยหมายเอาเฉพาะส่วนของเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของเวทนาเท่านั้นเองเวทนานี้เป็นความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างมีอิทธิพลเยอะเพราะว่าเราได้กรรมเก่ามาแล้วเนี่นะ จำเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งคุณภาพของใจแล้วเนี่ยมันเอาไว้กระทบสัมผัสกับอารมณ์คือปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ทางตาอย่างเรามาที่นี่มองเห็นทางตาก็เกิดปรากฏการณ์ได้ยินทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้นรสทางลิ้นสัมผัสทางกายคิดนึกหรือว่ารู้สึกอะไรทางใจแล้วอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เราได้มาทั้งหมดทั้งมวล น, นี้เป็นผลของการเลือกตามกรจำเก่า สมมติเรามานั่งอยู่นี้ถ้าจะบอกว่าเอ๊ะทําไมมีปรากฏการณ์นี้ขึ้นพวดขึ้นมาแลกรรมเก่าคือทั้งหมดไม่ใช่แค่อันเดียวนะทั้งหมดที่พูดมาแล้วน่ะนะไปไล่มาอย่าไล่เลยเพราะว่าจะเป็นบ้าเปล่าๆมันเยอะมากนะเกิดเพราะเหตุว่า ง, งั้นเถอะนะพูดแบบรัดสัน้นหรือว่าบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเองเนะี่ยง่ายดีนะดังนัผู้รู้ถึงที่สุดแล้วท่านจึงบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเอง ไม่เกี่ยวกับเรื่องใครทําใครไม่ ท, ำทํำทั้นั้นเพราะว่าถ้าไปพูดอย่างนั้นปั๊บคนจับยึดก็เข้าใจผิดไปเลยท่านผู้รู้นะท่านจึงบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเองเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ง่ายแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทีนี้เราได้กําเก่ามาแล้วนี่นะก็กระทบอารมณ์เขาเรียกผัสสะตาก็กระทบกับรูปจากขูดสัมผัสหูกระทบกับเสียงโสตะสัมผัส จมูกกระทบกับกลิ่นคานาสัมผัสลิ้นกระทบกับรสชิวหาสัมผัสกายกระทบสัมผัสทางกายเรียกว่ากายะสัมผัสใจกระทบกับเรื่องทางใจรับรู้เรื่องทางใจสุขทุกข์คิดดีบ้างไม่ดีบ้างเรียกว่ามโนสัมผัสเวลามันมีมโนสัมผัสแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนาขึ้นมาก่อนความรู้สึกชนิดที่เป็นเวทนาเนี่ยถ้าทางกายก็มีสองคือสบายกายกับไม่สบายกาย สบายกายคือพอทนได้เรานั่งนั่งนี่เป็นไงปกติแรกๆก็พอทนได้พอทนได้นี่เขาเรียกว่าสุขเวทนาทางกายพอทนได้พอนั่งไปทักหน่อยใช่ไหมทนไม่ค่อยไหวทนไม่ไหวเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทางกายเจ็บปวดเทศขัดยอกเมื่อยแข้งเมื่อยขาอต้องนวดมันตรงนั้นตรงนี้นี่เขาเรียกทุกขเวทนาทางกายส่วนพอทนได้นี่เรียกว่าสุขเวทนานะ ทนได้อย่างพอพอทนได้สุขนี้ไม่ใช่สบายนะโดยส่วนใหญ่เราจะชอบว่าสุขมันคือสบายแต่ว่าตามหลักแล้วคำว่าสุขนี่หมายถึงมันพอทนได้เพราะว่าในชีวิตเราเองนี่นะมันไม่มีสิ่งไหนที่เป็นสุขโดยแท้จริงมันมีแต่กองทุกข์คือมันต้องทนเพียงแต่ว่าจะพอทนได้หรือทนไม่ไหวเท่านั้นเองนะมันต้องทนอย่างเรามีสามี ก็ต้องทนมีมัน ม, มีเยอะจะทนมันไหวหรือเปล่าถ้าทนมันไหวก็อยู่ต่อไปถ้าทนไม่ไหวก็เสีงก็เลิกกันไปนะมีตําแหน่งก็ต้องทนมีไปเพราะว่ามันไม่ใช่ของสุขอย่างแท้จริงมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะมันก็ต้องทนมีไปถ้าพอทนได้ก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอเป็นไปได้พอทนได้คือไม่ทุกข์นั่นเองทีนี้พอทนไม่ไหวก็เครียดไป บางคนไม่เข้าใจข้อแท้จริงอันนี้เขาคิดว่าตําแหน่งนี้จะให้ความสุขกับเขาซึ่งมันไม่ใช่ของจริงเพราะว่าในชีวิตเรามันมีแต่ต้องทนไปเพราะเกิดมาแล้วมันเป็นภาระนะเคยสวดไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกขันห้าเป็นภาระหนักเน้ อ, เ, อเคยนะต้องไปสวดโดยในหนังสือสวดมนตนะ์ภาราหวีปัญจ ก, กันธาหมายถึงว่ามันเป็นภาระที่ต้องบริหารมันให้พอเป็นไปได้ คือต้องทนเอาไว้งั้นเถอะมีตําแหน่งอย่าง two by f นี้ก็ต้องทนไปต้องทนมีไปต้องทนหาเงินไปให้มันพอเป็นไปได้อย่างร่างกายเราเนี่ยอย่างคนผอมๆหน่อยอย่างผมนี่ก็ไม่ต้องทนเยอะนักเพราะว่าไม่ค่อยอ้วนถ้าพวกอ้วนหน่อยก็ต้องทนหนักกว่าเดิมอีกเมต่างคนก็พอๆกันอะต้องทนไปเห็นไหมมีแต่ว่าพอทนได้หรือทนไม่ไหวถ้าพอทนได้มันก็พอเป็นไปได้ ถ้าตนไม่ไหวมันก็คเครียดก็วิตกกังวลแล้ก็ต้องจัดการหาวิธีให้มันพอทนได้ไปนี่บางคนเขาไม่เข้าใจประเด็ดนนี้พอไม่เข้าใจประเด็ดนนี้เขาอยากจะได้สุขเกินเหตุไปทั้งๆ้ที่มันแค่ได้สูงสุดแค่พอทนได้เท่านั้นเองนะเขาก็หาผัสสะชนิดแรงๆมากระทบตนเองเขาไม่เข้าใจเรื่องประเด็นเวทนาเนี่ยต้องหาอารมณ์ผัสสะมากระทบนะตอนแรกก็อ้าวหาหนังมากระทบอานะพอประโยชน์น่ะ กระทบทางตาอา้าวหนังเรื่องนี้กระทบแล้วก็มีความสุขวูบหนึ่งแล้วก็หายไปต่อมาหนังเรื่องนัง้นก็ให้ความสุขไม่ได้ก็เรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าใ้จริงมันแค่พอทนได้เท่านั้นเองสูงสุด ข, ของมันนะเขาไม่เข้าใจประเด็นนี้เขาก็พยายามหาสุขมาให้ได้ลองหาไปเถอะมันหาไม่ได้หรอกลองให้ลองมันไม่มีนะเนี่ยเขาไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้นะครับ นะฉะนั้นแค่ไม่ทุกข์เนี่ยมันก็พอแล้วร่างกายจิตใจเรานีอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอธิบายยังไม่จบเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องมากเกินไปนี่มันนอกเรื่องเยอะแล้วเนี่ยนะทีนี้อา้าวทางกายแล้วทางกายนะมีสุขกับทุกข์นะพอทนได้กับทนไม่ไหวส่วนทางใจก็มีสุขทุกข์แล้วก็อทุกรมัตสุข อาทุกขมสุขคือมันวนเวียนไม่รู้ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกข์ดีหรือว่ามันเฉยๆไปไอตัวทุกข์อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าทุกขเวทนาคือมันทนไม่ไหวนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มันจะทนไม่ไหวทนแล้วมันเครียดมันมิตกกังวลไปเพราะว่าเราไปให้ค่ามันเกินจริงเพราะว่าตัวโดยตัวมันเองของมันเนี่ยคือมันจะทนไม่ไหวอยู่แล้วโดยตัวมันเองแต่มันเกิดเพราะเหตุฉ้นั้นมันจึงทนไม่ไหวอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะดับไป ทีนี้เราตั้งหลายนี้ไปให้ค่ากับทุกขเวทนาตัวนี้มันมากเกินไปมันจึงก่อให้เกิดการรังเกียจมันรังเกียจทุกข์นี่อรังเกียจความเจ็บป่วยรังเกียจการปวดหลังรังเกียจอะไรก็ไม่รู้และอันนี้ไปรังเกียจมันมันจึงไม่หายไงฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราไปรังเกียจมันหรือว่าปฏิเสธมันมันจะไม่มีทางหายอันนี้ประเด็นสําคัญต้องรู้อันนี้ถ้าเราอยากจะให้มันหายมันมีวิธีเดียวคือเข้าใจมัน นะเข้าใจมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ไงนะแต่โดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้วิชาการแพทย์เขาก็ไม่เข้าใจประเด็นนี้ด้วยเขาก็ไปหาว่าเชื้อโรคนี้มันเป็นศัตรูเว็นอะไรต้องเอามันออกจนกระทั่งเราเป็นโรค ก, กันระดับนานมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าแท้ที่จริงมันไม่ใช่วิธีนั้นวิธีก็คือต้องอยู่กับมันแล้วเข้าใจมันอ่านะนะนะวิธีนะอันนี้วิธีที่ถูกต้องนะ ดงั้นไอเรานี้โดยส่วนใหญ่ไปปฏิเสธมันพอปฏิเสธมันเอามันออกไปมันหายไหมหายไปจริงๆซะ ด, ด้วยนะแต่มันหลอกเราทั้งหลยมันจะมาใหม่แล้วมาในรูปอื่นที่รุนแรงกว่าเดิมเหมือนโรคร้ายอะไรก็เหมือนกันนะเวลาเรารักษาโรคเราก็เอาเอามันออกไปมันก็หายไปใช่ไหมแล้วมันจะมาในรูปอื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งนั่นแหะไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆเยนาะนะ อันนี้นะความหมายของทุกในแง่มุมหนึ่งทุกขอริยสัตว์อันนี้หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วดับไปอันนั้นทุกหมายถึงขันธ์ทั้ง5าส่วนอีกอันหนึ่งเป็นตัวเวทนาเป็นตัวความรู้สึกใช้ในความหมายว่าทนไม่ไหวทนแล้วมันเครียดมันเหนื่อยมันทนไม่ได้นาน นะไม่เหมือนกับสุขสุขนี้พอทนได้นะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นเรื่องเวทนานะการที่จะไปแสวงหาความสุขที่เลยเถิดเกินไปนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราพากันหากันอยู่ซึ่งมันไม่มีหรอกนะการการจะมีความสุขอย่างแท้จริงโดยการที่เราอยู่กับมันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นจริงเหล่านี้ได้แล้วก็รู้จักปล่อยวางอิสระจากมันจึงจะสุขอย่างแท้จริง สุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นคำแบบเปรียบเทียบเฉยๆแต่จริงคือไม่ทุกข์กับมันนั่นเองนะเอาท่านท่านหนึ่งจะถามลืมไปแล้วมั้ายังไม่ลืมเลย อันนั้นเรื่องของคุณนะเชิญคุณสวิตไปตามประบายเลยไม่ผมไม่ไม่ยุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่น การเลือกของเราเนี่นะมันแล้วแต่เรานะฉะนั้นไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกสําหรับการศึกษาการเรียนรู้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราอาจจะเลือกไปแล้วมันดีหรือไม่ดีก็เป็นการศึกษาอันหนึ่งนะหรือว่าไม่ได้เลือกเราอยู่กับมันไปเลยมันก็เป็นการศึกษาอันหนึ่งฉะนั้นการศึกษาจึงสําคัญที่สุดการเรียนรู้นี่จึงสําคัญที่สุดสมมุติว่าอ่อาสมมุติเรามีแฟนแล้วมันจะดีไม่ดีเราก็ศึกษาเรียนรู้มันไปเพื่อจะอยู่กับมันให้ได้หรือว่า เราจะได้ฝึกความอดทนด้วยว่าฝึกขันติอะไรของเราก็ว่าไปนะนะนี่การศึกษานี้มันจึงสําคัญก็ใช้เป็นเครื่องฝึกฝนพอได้รู้ความจริงว่าเออเนี่ยเนี่ยเี่ยแฟนเราคนเนี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้เราก็จบหละการศึกษาฉะนั้นวิธีการที่เราจะสมมุติว่าเราไม่อยากจะมีแฟนอีกเลยหรือว่าสมมุติว่าเบื่อสามีแล้วอย่างนี้นะไม่อยากจะมีอีกต่อไปเลย ได้มาจากการที่เรายอมรับมันอย่างที่มันเป็นคือว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่มีทางพ้นจากวงจรอันนี้ไปได้ถึงเราจะทิ้งคนนี้ไปคนใหม่ก็จะมาถึงเราจะตายจากอันนี้ไปชาติใหม่มันก็จะมาใหม่มันก็จะโผล่มาเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าใจมันอย่างที่มันเป็นจริงคือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละนะฉะนั้นเคล็ดลับนะ เย น, นี้บอกเลยนะถ้าใครอยากไม่อยากจะมีสามีแล้วก็ให้เข้าใจมันอย่างที่เป็นจริงว่า ไ, ไอ้หมอนี้นะมันเป็นของไม่เที่ยงหมอนี้นะมันเป็นตัวทุกข์นะเนี่ยมันเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของที่ปราศจากตัวตนอย่างเนี้ยอันเนี้ยได้ความรู้อันเนี้ยแน่นอนว่าเราจะไม่มีสามีอีกถึงไอ้คนนี้มันจะยังอยู่เราก็สบายใจได้เพราะว่าเดียวทั้งหน่มันตายไปเราตายไปก็ไม่ต้องมาวนเวียนกันอีก แต่ถ้าไม่ถึงจุดนี้เราก็ต้องวนเวียนไปเรื่อยๆพอจากคนนี้ไปคนใหม่ก็มาจากโลกนี้ไปเกิดชาติใหม่มันก็วนกันไปวนกันมาอีกอย่างนี้นะนี่พอเข้าใจไหมนี่ก็เหมือนกันทุกเรื่องนี่แหละนะครับฉะนั้นวิธีการช่วยเหลือกันอย่างดีที่สุดนี่นะก็คือช่วยเหลือกันให้เข้าใจเรื่องนี้เราจะได้ไม่ต้องเจอกันอีวิธีการเจอกัน เจอกันที่สมบูรณ์ก็คือไม่ต้องเจอกันอีกนะถ้าต้องเจอกันอีกมันก็ไม่สมบูรณ์สิมันก็ไม่จบเรื่องสักทีเหมือนผมมาพูดให้ท่านฟังอยากให้มันสมบูรณ์ผมก็จบแล้วครับเนี่ยมันก็สมบูรณ์ใช่ไหมถ้าพูดแล้วไม่จบก็กีมันก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องอย่างนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจยากหน่อยนึงเขา อ้าเป็นกับเขาด้วยเหรอเป็นกับเขาหรือป่าอ้าไม่ได้เป็นอ่อยารู้ว่าคือมุมคำสอนจากคุณเนี่ยคือถ้าถ้าอยากจะรู้นี่นะต้องเป็นอย่างเขาก่อนนะอ่าเนี่ยไอเรานี่ยโดยโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้เราโดยส่วนใหญ่เป็นเดาของคนอื่นก่อนแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เน้นการคาดเดาแล้วก็ไม่เน้นอะไรที่ที่สัมผัสไม่ได้ อะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศก็ตามอะไรก็ตามหรือว่าคําอธิบายที่เลื่อนลอยพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติฉะนั้นจึงเน้นไปที่สิ่งที่สัมผัสได้จริงก่อนนะอย่างนี้นะต่อไปจะตอบของท่านแหลอะอคนโดยทั่วไปอย่างเช่นว่าเขาทุกข์แล้วก็อยากจะพ้นมันจะพ้นจากมันการอยากจะพ้นจากมันไม่ใช่วิธีที่ผมได้พูดไปแล้ว การปฏิเสธมันหรือว่าการรักมันไม่ใช่วิธีวิธีคือต้องเข้าใจมันดงนั้นเขาที่ที่เขายังไม่เข้าใจการเกิดการตายว่ามันเป็นแค่กองทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดไปตามเหตุเกิดแล้วก็ดับไปเขายังไม่เข้าใจเรื่องของแขนที่มันหายไปมันขาดไปมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแขนที่มีขึ้นของเราก็เหมือนกันที่ของเขาที่ขาดก็เหมือนกันว่ามันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วก็ดับไป อันนี้เขาก็จะต้องทุกวนเวียนไปเรื leg, <c oughs> <ๆ>่อยๆคือเกิดใหม่วนไปเรื่อยๆนี้เพราะว่ากองทุกนี้มันไม่ได้หายไปหรือว่าไม่ได้หมดไป <c oughs> เพราะว่าเราไปหลงรักมันหรือว่าปฏิเสธมันเราไม่สามารถออกจากโลกได้ด้วยการปฏิเสธโลกแต่ว่าออกจากโลกได้ด้วยการเข้าใจมันไม่ใช่ออกจากความตายได้ด้วยการเกลียดความตายไม่อยากอยู่ในโลกนี้ละก็ตายไปตายไปมันก็ได้ตายใหม่คือเกิดใหม่มันก็ได้ตายใหม่ แต่ว่าจะออกจากความตายอันนี้ได้ด้วยการเข้าใจความตายว่ามันเป็นเพียงประสบการณ์อันหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนหายใจเข้าหายใจออกเหมือนสุขเหมือนทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุแล้วมันก็ดับไปแต่เราทั้งหลายคงให้ค่าบางอย่างไปเช่นความสุขก็ให้ค่ามันเป็นบวกใหญ่มากทุกข์ก็ให้ค่าเป็นลบใหญ่มากอย่างนี้เป็นต้น เกิดเราก็ดีใจเพราะรู้สึกว่าได้อะไรมาใช่ไหมตายก็รู้สึกเสียใจเพราะรู้สึกว่าเสียอะไรไปฉะนั้นเวลาเราได้อะไรมาจึงรู้สึกดีใจเสียอะไรไปจึงรู้สึกเสียใจอันนี้เพราะเป็นความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองแต่โดยความจริงเราไม่ได้ได้อะไรมาแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรไปด้วยเราต้องการเรียนรู้ประเด็นนี้นะเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราทั้งหลายนี้รู้สึกว่าอ้าวว่าได้เงินมาเป็นไง ดีใจเพราะเสียเงินไปเสียใจเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้มาและเขาเสียไปทั้งทงที่การได้มาและการจากไปนี้เป็นเรื่องปกติของมันอยู่ไม่เกี่ยวกับได้หรือเสียได้ตาแหน่งมาดีใจเสียตาแหน่งไปเป็นไงเสียใจนี่เขารู้สึกว่าเขาได้และเขาเขาเสียรู้สึกเกิดดีใจชอบเกิดตายไม่ชอบเสียใจเห็นไห ชอบเกิดแต่ดันไม่ชอบตายมันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะมีพอเข้าใจไหมเออนะ ไ, ไม่ต้องเข้าใจเยอะก็ได้ทำ เจตนาดีต้องมีปัญญาด้วยนะฉะนั้นความรู้จึงสําคัญกว่าไม่ได้อยู่ใจเจตนาสําคัญกว่าบางคนไม่รู้เรื่องเป็นคนงมงายแต่เจตนาดีนะโอ้ยพระท่านหน้าสงสารเลยเดินถวายเงินท่านไปเลยอย่างนี้หรือว่าเจตนาดีโอ้ถวายลูกสาวท่านไปอย่างนี้เรียบร้อยเลยเสร็จเจตนาดีเหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่เน้นที่เจตนาดี เน้นที่ปัญญานะเพราะว่าเจตนาดีเนี่ยทำร้ายคนมาเยอะเราเยอะแล้วเยอะมากเหลือเกินน ะ, นะะนี่แหละกำลังจะบอกนะฉะนั้นไอเจตนาเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่าเจตนาดีเนี่ยทำร้ายคนมาเยอะแล้ว อยงพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็เจตนาดีต่อลูกใช่ไหม เ, เจตนาดีๆทั้งนั้นแต่ว่าเครียดทุกที่ลูกอะ่นะฉะนั้นต้องปล่อยให้เขาไปตามสะดวกของเขาบ้างนะออกจากชีวิตเขาบ้างเขาจะได้มีความสุขนะนี่โดยส่วนใหญ่เราเจตนาแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านเน้นที่ปัญญาเพราะว่าปัญญานี้จะเป็นตัวในการที่จะรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติต่อมันได้ถูกนะครับ ดัง น, นบางทีเรารู้สึกว่าเจตนาดีแต่ด้วยความไม่รู้ของเรานี้ทําร้ายคนอื่นมาเยอะแยะอย่างโดยส่วนใหญ่ชาวพุทธเราเนี่ส่วนใหญ่เจตนาดีไม่รู้เรื่องเห็นไหมทำทำกันอยู่งมงายมากมายเลยเกินไหวพระพุทธเจ้าก็ดีไหวพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปเอาเหรียญมาอย่างนั้นอย่างนี้ทํามีแต่เจตนาดีๆทั้งนั้นแต่ผลเป็นไงบ้าง แต่ละคนก็งมงายขึ้นงมงายขึ้นห่างไกลจากการช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นรอพึ่งพระพุทธเจ้ามากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมเจตนาดีแต่ว่าขาดปัญญาขาดการเข้าใจมันจึงเสียเงินเสียทองเสียเวลามากมายนะทีนี้จะพูดเรื่องประเด็นที่ท่านพูดมาสองเรื่องเมื่อกี้เรื่องเอาของจากโรงแรมไปนะต้องมีความเข้าใจเรื่องของเรื่องของศีล มันจะมีศีลที่เราควรรักษาอยู่หรือว่าควรสมาทานเอาไว้ในใจแล้วก็ฝึกฝนให้ได้อยู่เริ่มต้นห้าข้อเนะี่ยเมื่อกี้พูดมาสองข้อก็จะพูดแค่สองข้อก็พอนะวันต่อไปถ้ามีเวลาค่อยพูดต่อนะข้อที่สองนี่นะข้อที่สองเป็นเรื่องอธินาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มันจะมีหัวข้อหรือว่ามีสิ่งที่ควรทาความเข้าใจอยู่คือว่า ถ้าจะเป็นอธินาทานได้เนี่ยมันต้องเป็นว่าของว่าของนั้นเขาห่วงอยู่เจ้าของเขาห่วงเจ้าของเขาเนี่ยห่วงอยู่นะนะถ้าไม่เข้าในหลักห่านี้มันก็จะไม่เป็นอธินาทานนะอันที่หนึ่งคือเจ้าของเขาห่วงอันที่สองเรารู้ว่าเจ้าของเขาห่วงอันที่สามก็คือมีเจตนาจะเอามาแล้วอันที่สามก็ใช้ความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งในการเอามาอันที่สี่ได้มาจริงๆด้วย ครบห้าเนี่ยจะเป็นอธินาทานทีนี้ก็เอาไปใช้กับของในโรงแรมของในโรงแรมเวลาที่คณะทัวร์เข้ามาเนี่ยเขาก็เอามาให้คณะทัวร์ปกติเขาไม่ห่วงฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นอธินาทานอะไรหยิบออกมาได้ตามสะดวกแต่อย่าหยิบมาเยอะเกินไปน่าเกลียดนะเพราะปกติเนี่ยคือเขาเอามาให้อยู่แล้วหรือบางทีก็เป็นของทัวร์นั่นเองที่เขาให้จัดเอาไว้ฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ห่วง แต่ถ้าเป็นของที่เป็นของคณะอื่นเช่นเขาห่วงเราไว้เราไปเอามานีทีนี้ต้องดูข้ออดีแล้วนะข้อที่หนึ่งคือของเขาห่วงอยู่ของเขามีเจ้าของห่วงนะอันที่สองคือเราก็รู้ด้วยว่าเขาห่วงอันที่สามคือมีเจตนาที่จะลักมาอันที่สามใชอ้อันที่สี่ ใช้ความพยายามหรือว่าใช้วิธีการเอามายางใดอย่า ง, างแล้วก็อันที่ห้าได้มาอย่างนี้นะเหมือนสบู่ในห้องน้าอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เอาไว้ให้คนที่เข้าพักนั้นน่ะใช้ฉะนั้นเราจะหยิบไปก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้หวงเขาไว้ให้คนคนที่อยู่ในนั้นน่ะใช้เราเป็นคนเข้าไปอยู่เราก็เอามาใช้แต่ถ้าเราไม่ได้มาพักโรงแรมสิเราแอบมาเอาไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ นี่พอเข้าใจนะนี่ข้ออาทินนาทานนะการรักทรัพย์นะฉะนั้นที่ท่านพูดถึงเรื่องอะไรนะไปเอาของของโรงแรมเช่นกล้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเขาให้เราอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ควรจะใช้สิทธิ์ให้เต็มที่หน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ถึงกันหน้าเกลียดจนเกินเหตุมันก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าไม้ยิมฟันอะไรพวกนี้เขาก็ให้คนไปกินข้าวแล้วก็ จิ้มสักอันหนึ่งเอามาสักสองสาอันก็ไม่เป็นไรแต่จะเอามากะเป็นกรรมอย่างเนี้ยมันก็น่าเกลียดเกินเหตุ น, นะแต่ถ้าโอ้เขาเอาไว้ให้คนที่เป็นแขกมาม้จิ้มฟันอย่างนี้นะปกติจะมีไม้จิ้มฟันใช่ไหมเราไม่ใช่แขกเลยมาจิกไปเลยอย่างนี้อ้าวอย่างเนี้ไม่ใช่แล้วเพราะเขาหวงไว้สําหรับคนที่เป็นแขกนะส่วนคนเป็นแขกเขาไม่หวงอยู่แล้วนี่อย่างนี้พอเข้าใจนะนะเขาหวงนะ เรารู้ว่าเขาหวงด้วยแล้วก็มีเจตนาจะขโมยมาใช้ความพยายามในการขโมยมาอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วก็ได้ของนั้นมานี่นะนี้ข้อสีลข้อที่สองถ้าใครทำผิดอันนี้ก็เหว่าเจตนาไม่ดีฉะนั้นวิธีการรักษาที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดคือดูที่เจตนาเป็นหลักนะถึงของเขาจะหวงแหนเรา ถึงของเขาจะมีเจ้าของแต่เราไม่รู้อะไนี้เราก็เอามาก็ไม่ผิดอะไรมันต้องครบห้าข้อก่อนมันถึงอย่าผิดฉะนั้นรักษาที่เจตนาไว้มันจึงดีที่สุดเพราะว่าอันอื่นๆบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะนะรู้จักเจตนาในใจตนเองว่าเนี่ยมันอยากจะเอาของเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็อย่าไปเอาะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาหวงหรือไม่หวงใช่ไหมแต่ถ้าเอ้ยใจเราก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็จับมาใชเฉยๆธรรมดาเราเห็นอยู่แล้วอันนี้ไม่ผิด ยังไงก็ไม่ผิดอย่างแน่นอนอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะครับต่อไปข้อที่สี่สีข้อที่สี่เรื่องมุส า, า, นะาวาดนะมุสาวาดนี่อันที่หนึ่งคือเรื่องไม่จริงเรื่องมันไม่จริงนะเรื่องไม่จริงอันที่สองต้องการจะพูดเรื่องที่ไม่จริงอันนั้นให้เขาเชื่อเรื่องมันไม่จริงอยู่นะ ต้องเป็นเรื่องไม่จริงก่อนแล้วต้องการจะพูดอันที่สามคือพูดพูดเรื่องไม่จริงอ น, นั้นมีเจตนาจะพูดด้วยนะข้อที่สองนะข้อที่สามก็พูดไปข้อที่สี่เขาเชื่อด้วยถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่ผิดนะฉะนั้นพวกโกหกนี่ต้องเก่งๆจึงจะผิดศีลได<ม>นะ้เห็นไหมต้องใช้ความพยายามเยอะนะผมจึงบอกว่ า, าไม่พูดโกหกนี่มันง่ายกว่าพูดเยอะเพราะว่าจะพูดโกหกนี่มันต้องเหนื่อย ต้องทําให้เขาเชื่อด้วยจึงจะเป็นการพูดเคารพถ้าเขาไม่เชื่อเราก็พูดไปดิเหนื่อยเปล่านะทีนี้มาดูของท่านท่านนี้ไปหลอกแม่ท่านนะนะเรื่องจริงหรือเปล่าไอ้อะไรนะพันหนึ่งกับห้าร้อยอะไรนะนะเรื่องจริงไหมสมมติว่าเราไปจ่ายจริงเนึยงเนี่ย 1, หนึ่งพันหนึ่งไปบอกแม่ว่าห้าร้อยเราก็รู้อยู่แล้วว่าพันหนึ่งเนี่ยเราจ่ายไปเนยเรื่องมันไม่จริงใช่ไหมเราต้องการจะพูดเรื่องไม่จริงแล้วทีนี้ เราก็พูดไปแม่เราเชื่อเปล่าเ ช, ชื่อเอาผิดนะมุสาวาจานะ<ช>เห็นไหมเจตนาดีก็ผิดศีลได้เหมือนกันอย่างนี้นะฉะนั้นข้อศีลข้อวาจานี่โดยส่วนใหญ่บางคนเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะหรือว่าไม่มีปัญญาเขาจะผิดได้โดยง่ายทีเดียวนะครับมีพอเข้าใจนะฉะนั้นการมีเจตนาบางครั้งแล้วถ้ายังไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไม่มีสติไม่มีปัญญา พวกนี้จะผิดศีลได้โดยง่ายทีเดียวแต่ถ้าคนไหนมีสติสัมปชัญญะดีๆฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีศีลรู้เท่าทันเจตนาในใจตนเอง mm. ก็จะห่างไกลจากความผิดได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฐานศีลข้อที่สี่นะก็มีอยู่สี่อันที่หนึ่งคือเรื่องมันไม่จริงอันที่สองต้องการจะพูดเรื่องนั้นคือมีเจตนาจะพูดไม่จริงนั่นเองอันที่สามคือพูดอันที่สี่เขาเชื่อ ก็ผิดศีล น, นะแต่ถ้าบางเรื่องเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือว่าเขาหลอกเรามาอีกต่อหนึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าเออเรื่องนี้มันสงสัยจะจริงหลือมั่งเราก็พูดไปถึงจะเป็นเรื่องกโกหกก็ไม่ได้โกหกอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันกโกหกจะเป็นโกหกก็ต่อเมื่อเรารู้ชัดๆอยู่แล้วว่าเรื่องนั้นมันโกหกแล้วเราต้องการจะโกหกด้วยนะอย่างเนี้ยต้องการจะโกหกให้เขาเชื่อแล้วก็พูดเขาก็เชื่อก็กลายเป็นโกหก นะครับแต่ถ้าพูดโกหกในแง่มุมของไม่ได้ต้องการให้เขาเชื่ออะไรต้องการแค่หัวเราะกันเล่นอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นเพลยเจอไปไม่ได้เป็นโกหกนะโดยส่วนใหญ่จะออกเพลย์เจอซะมากนะอันนี้นี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เรื่องต่างๆเหตุการณ์ข้างนอกนี่นะปกติเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดคือเจตนาในใจ ฉันั้นจึงต้องฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะรู้เจตนาในใจตัวเองเอาไว้แล้วละเจตนาไม่ดีถ้าละเจตนาไม่ดีออกไปยังไงก็ไม่ผิดศีลถึงจะไปเอาของใครมาแต่เราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ได้มีเจตนาลักขโมยอันนี้ยังไงเราก็ไม่ผิดจะทํายังไงก็ไม่ผิดจะพูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่เราไม่มีเจตนาโกหกยังไงก็ไม่โกหกความหมายคืออย่างนั้นฉันั้นเรื่องเจตนามันจึงสําคัญที่สุดแล้วก็ เรารู้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วนะฉะนั้นให้ฝึกฝนจนมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่คอยดูตัวเองอยู่นะแบบนี้จะทำให้เราเป็นคนต่อไปได้นะนะอยากรู้ว่าตัวเองจะเป็นคนอีกหรือเปล่าหรือเปล่าง่ายๆเองนะอยากรู้ว่าตัวเองจะเป็นคนอีกหรือเปล่าชาติต่อไปก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นคนอยู่ไหมนะ จะพูดจะทำอะไรต่างๆเห็นไะว่าตัวเองกาลังจะทำอะไรอยู่กาลังจะพูดอะไรอยู่กาลังมีเจตนาอะไรอยู่ตัวเองเป็นคนอีกคนหนึ่งที่คอยดูอยู่อันนี้ก็คือเป็นคนมีศีลนั่นเองนะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งอ่าเป็นคนละอันกันนะเป็นคนละอันกันอันนี้พูดถึงศีลห้าที่เป็นพื้นฐานจะมีอยู่แค่ห้าข้อมีปานาธิบาศ มีอธินาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาทแล้วก็สุราเมระยะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฝึกฝนสติสัมปชัญญะมากนะักเอาไว้สำหรับเป็นพื้นฐานขั้นต้นคือศีลห้าจึงมีข้อสุราเมเอไรามาด้วยเพราะว่าต้องการให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะไม่หลงไปมากนะแต่พอมาฝึกขั้นที่เป็นศีลที่จะเป็นแบบอริยมรรคเนี่ยจะ ไม่เหมือนอย่างนี้แล้วไม่มีข้อสุราเพราะว่าข้อสุราจะตัดทิ้งไปเพราะว่าต่อไปจะพูดแต่เรื่องฝึกสติสัมปชัญญะและ้วด้านกายจะมีสามข้อคือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามบวชพิผิดในการมสามข้อด้านวาจาจะกลายเป็นสี่ข้อแล้วอก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็มีเรื่องการใช้ชีวิตในการทําอาชีพ อ, อีกอันหนึ่ง ละเว้นอาชีพที่ไม่ดีให้ทําแต่อาชีพที่ดีเท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าศีลองมรรคศีลองมรรคนี้เอาไว้สําหรับคนที่ต้องการฝึกสติสัมปชัญญะจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปส่วนคนไหนที่ต้องการแค่คุณความดีขั้นต้นแค่เป็นมนุษย์วนเวียนต่อไปก็แค่ศีลห้าก็พอใช้ได้นะแต่ถ้าต้องการฝึกฝนให้เป็นคนถึงการพ้นไปแห่งทุกข์ต้องมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นมาอีกต้องเป็นศีลแบบองมรรคจะมีแปดข้อแต่จริมีสาม สัมมากรรมตะสัมมาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะแต่สัมมาวาจานั้นมีสี่สัมมากรรมตะนี้มีสามและสัมมาอาชีวะอีกหนึ่งก็รวมเป็นแปดนะี่อันนี้พอเขาะนะ้าใจไหมฉะนั้นเวลาเราฝึกนี่นะในการที่เราฟังพระพุทธเจ้ามาแล้วเราก็เน้นไปที่องค์มรรคฉะนั้นจึงเน้นวาจาเป็นสี่ข้อจะได้เอาไว้ใช้ในการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าพวกไหนยังคล้ายๆกับพวกพื้นฐานต้ น, ตนๆน่ยยังกินเหล้าเมายาอยู่อันนี้ก็ต้องเลิกเลิกแล้วก็มาฝึกฝึกเนี่ยพวกนี้ก็จะยังฟุ้งซ่านยังมีคำพูดไม่ดีอยู่เยอะพอสมควรแต่อย่างน้อยก็อย่ากโกหกเห็นไหนนมันคนัะขั่นกันพอใจไหม ไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลแต่เป็นอกุศลอ่าไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลข้อที่ห้าอ่าไม่ผิดศีลข้อที่สองเมื่อไม่ผิดศีลไอ้กรรมอันนี้ถึงจะเป็นกรรมที่เกิดขึ้นในจิตเป็นอกุศลมันก็เกิดแล้วก็ดับไปก็ทำให้จิตเศร้าหมองนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีผลทาให้ได้รับผลที่ไม่ดีจนกระทั่งนาไปอบายก็ไม่มีอย่างนี้ นะฉะนั้นการรู้ทันเจตนาในใจตนเองนี้นะจะช่วยรักษาเราตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่าเราไม่ทําผิดศีลเมื่อไม่ทําผิดศีลก็ห่างจากอบายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, อยจนกระทั่งพ้นจากอบายไปได้อย่างนี้ใช่เพราะตอนที่เรารู้นะ่ะมันเป็นกุศลแล้วนะตอนที่เรามีเจตนาจะรักขโมยปับ๊บ เจตนาจะเอาเฮ้ยเราเจตนาจะเอาของเขาเนี่การที่รู้ว่าเอ๊ะนี่เราเจตนาจะเอาเนี่ยอันนี้เป็นกุศลตอนรู้มันเนี่ยเป็นกุศลถ้าเราไม่รู้เราไปเอามาแล้วก็กลายเป็นผิดศีลไปพอเรารู้มันก็เป็นกุศลตัวกุศลอันนี้เรียกว่ากุศลประกอบด้วยปัญญาคือการรู้เท่าทันจิตใจตนเองนะดังนกุศลที่ประกอบด้วยปัญญามันจึงละกิเลสได้ขาดมากกว่าคือไม่ต้องใช้การข่มใจตนเองไม่ต้องใช้อันานั้นอันนี้มาก แค่การรู้ทันมันปั๊บเราก็จะช่งนักเองนี่พอเข้าใจไหมอ่านะ สระน้ำกัจามุตปสงสรกัามีตติปุสระน้ำกัจามตติปมสรกัามีตติป สังห์มสระน้ำกัจฉามี